ชี้แจงหนังสือ f ฟดเป็นนิตยสารรายเดือนออกในอเมริกาตั้งแต่ออกมาจนถึงปัจจุบันในหนังสือนี้คือพุทธศักราช 2,513 นับได้23ปีแล้วมีเรื่องราวเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิญญาณศาสตร์โดยการเสนอเรื่องแบบวิทยาศาสตร์หรืออธิบายแบบวิทยาศาสตร์ คือมีหลักฐานที่มาอ้างอิงได้มีชื่อจริงของผู้เขียนเรื่องทั้งตำบลที่อยู่ประกอบและส่วนมากก็มีรูปถ่ายด้วยคือไม่ใช่กล่าวลอยลอยแบบเขาว่าหรือผู้ประพันธ์เช่นานามแฝงไม่ยอมให้ใครรู้จักตัวจริงนอกจากนั้นยังมีบทความที่เขียนโดยนักวิทยาศาสตร์มีการวิจารณ์ข่าวและปรากฏการตลอดจนถึงผลงานของบุคคลอย่างตรงไปตรงมาเช่นในปีหนึ่งหนึ่งก็มีการนาเอาคาพยากรณ์ของนักทานาย และคนทรงผู้มีชื่อเสียงมาตรวจสอบดูว่ามีถูกกี่เรื่องผิดกี่เรื่องและทำบัญชีทั้งเรื่องที่ถายผิดและถายถูกเสนอต่อผู้อ่านโดยละเอียดยีนดิกสันผู้ทำนายมรณกรรมของอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีก็ถูกวิจารด้วยเหมือนกันการกระทําเช่นนี้เป็นการดีอยู่อย่างหนึ่งคือทำให้นักทํานายและคนทรงรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าตนยังมีข้อบกพร่อง คื อ, อยังสามารถทำผิดได้ไม่ใช่คิดว่าตนเองเป็นพระพรหมหรือผู้วิเศษจนทำอะไรไม่ผิดเลยอย่างน้อยก็เป็นการบังคับให้มีความซื่อตรงและยอมรับผิดไม่เหลิงไปด้วยอำนาจลาบสักการะและเสียงสรรเสริญเยือนยอน่าเสียดายว่าการปฏิบัติเช่นนี้ในเมืองไทยยังไม่มีผู้วิเศษในเมืองไทยจึงมีมากจนเกินความต้องการ สำนักค้นคว้าทางวิญญาณจะได้นําเสนอเรื่องที่น่าสนใจออกแปลเป็นลำดับไปสิริพุทธสุข